พวกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งการได้บรรชารไว้สมบทในพุทธศาสนานี้ด้วยแล้วจัดว่าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเป็นพิเศษไม่น้อยเหมือนกัน ถ้าเราเทียบกับโลกทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้เพราะพระพุทธศาสนานี่เท่านั้นที่ทำโลกให้เย็นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดความร่มเย็นอย่าว่าแต่ความร่มเย็นเล็กๆน้อยๆธรรมดาที่เป็นพื้น นี่เลยจนถึงความร่มเย็นที่นอกจากสมมุติไปที่เรียกว่าอนันตการก็คือาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเป็นผู้ให้อุบายหรือบุกเบิกทางก้าวเดินเพื่อความสงบขั้นนั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่หมายถึงถ้าเราหมายถึงความสงบอันลาบคาบก็ได้แก่ความสิ้นเครื่องวุ่นวายภาณในจิตใจแม่น้อยไม่มีเหลืออยู่เลยนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันการก้าวเดินนี่เป็นของสาคัญมากเพราะทางที่ก้าวเดินนั้นแม้จะมีทางอยู่ พอเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นถนนหนทางอย่างเดีนโล่งก็ตามผู้ก้าวเดินมักจะทะเอถลไหลเสมอยิ่งเป็นทางพอเป็นรูปเป็นร่างนี้ด้วยแล้วก็คอยแต่จะก้าวออกนอกลู่นอกทางเหยียบขวากเหยียบหนามหาผามตั้งแต่กองทุกใส่ตัวเองเพราะการก้าวเดินไม่ถูกทางนั้นเป็น ส่วนมากมีอย่างนั้นเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตนโดยเจตนามุ่งหวังอย่างแรงกล้าก็ยังไม่พ้นที่จะถูกหลอกถูกหลอนต้มตุนจากสิ่งจำปลอมทั้งหลายจนได้ ทุกระยะนั่นแหละถ้าไม่ตั้งท่าตั้งทางจริงๆแล้วจะผิดพลาดไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานี้สารนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำหรับตำลานั้นไม่ขาดตกบกพร่องมีโดยสมบูรณ์ใครก็เขียนใครก็แต่งแทรกขึ้นมาไม่น้อยอีกนอกจากตำหรับตำลาที่เป็นต้นฉบับเดิมแล้ว แต่เราขอพูดถึงต้นฉบับเดิมคือตำหลับํำลาย mm. เช่นอย่างประไกรปิดกซึ่งท่านแสดงไว้แล้วนั้นมีอยู่โดยสมบูรณ์ mm. แต่ผู้ปฏิบัติ mm. ที่จะก้าเดินไปตามแถวทางที่ท่านสอนไว้ตามที่ได้ศึกษารเรียนมานั้น มีน้อยมากหากเยัยบย่ำความถูกต้องดีงามนั่นแหละไปโดยดื้อด้านบ้างดื้อด้วยเจตนาบ้างด้วยความไม่เอาไหนบ้างด้วยความเหอเลยอต่างๆบ้างมันมีแต่สิ่งที่จะให้ขาดทุนสูญดอกไปอยู่เรื่อยๆของผู้ปฏิบัติเรา จึงลำบากแม้มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ที่พอจะได้ร่องได้รอยจิตมันยังทะเลถลายไปได้เพราะสิ่งนั้นมันติดอยู่กับใจทุกเวลาครูอาจารย์หรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นมีเป็นบางการบางเวลาส่วนที่แทรกสิงอยู่ภายในใจิตใจนับแต่เป็น ลากแก้วข้องมันออกมาเป็นกิ่งเป็นแขนงมันแทรบเต็มไปหมดภายในจิตใจนั้นมันแสดงออกได้ตลอดเวลาจึงลำบากต่อการปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจจริงๆต้องเป็นมีท่าต่อสู้อยู่เสมอสำหรับผู้ที่จะ ก, ก้าวให้หลุดพ้นจากทุก์โดยถ่ายเดียวด้วยแล้ว ต้องเป็นผู้ตั้งท่าตั้งทางอยู่ทุกเรียบทและทุกอาการเคลื่อนไหวของใจนั่นเนี่ยจะพอกันเนี้อเช่นนั้นในขั้นเริ่มแรกก็ยังต้องมีเสียเลสเสียเหลี่ยมให้มันจนได้ยกไว้ในขั้นเบียงไกลของสติปัญญานั้นเสียในขั้นเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันพวกเรามาปฏิบัติศาสนาธรรมนี้ ก็เท่ากับมากันกรองน้ำอัดน้ำทำไว้สำหรับบริโภคขบฉันด้วยน้ำที่สะอาดซึ่งได้ถูกกันกรองมาจากข้อปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นสำคัญถ้าจะเทียบแล้วก็น้ำในบึงก็ดีในบ่อก็ดี ในห้วยน้องคลองบึงที่ไหนมากน้อยอย่างไรก็ดีถ้าเต็มไปด้วยน้ำที่โสอปรกโสโครก แ, แล้วเป็นอย่างไรบ้างเพียงตาเรามองเห็นก็เป็นไม่สบายแล้วอย่าพูดถึงการไม่ดื่มได้อาบหรือขบฉันนั่นเลยไปที่ไหนก็มีตั้งแต่น้ำโสโปรกโสมมนิดเต็มโลกดินแดนล้วเป็นอย่างไรบ้าง ขิดกันกับน้ําที่สะอาดคือไปเจอที่ไหนมีแต่น้ําสะอาดอยู่มากเกี่ยวนั่นในจิตใจของเราก็เหมือนกันต่างดวงต่างเป็นเหมือนกับน้ําบึงน้ําบอ่อแต่ของไม่สามารถที่จะรักษาน้ํานั่นไว้ได้นอกจากทําลายน้ําที่มีอยู่แล้วนั่นให้ปุ่นเป็นตมเป็นโครนไปเสียโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ วันหนึ่งจิตมีแต่ความขุ่นมัวมัวสมอยู่กับอารมณ์อันหาสาระไม่ได้นี่เป็นการทำลายน้ำที่ควรจะใสให้เป็นน้ำขุ่นเป็นต้มเป็นโคลนไปเสียจิตแต่ละดวงละดวงจึงหาความสุขความสบายไม่ได้เพราะจิตหาความสงบไม่ได้จิตเมื่อสงบก็ย่อมจะมีความปร่งใส ความสุขความสบายความยือกเย็นก็ย่อมจะมีขึ้นมาเป็นลําดับให้เจ้าของได้อาศัยแม้ยังไม่มากก็ยังพอได้ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะความสงบเยงใจนั้นพอเป็นทางก้าวเดินหรือพอเป็นปากเป็นทางแห่งการก้าวเดินต่อไปไม่มีแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาโดยแต่เดียวในการปฏิบัติซึ่งจะทําให้อ่อนกําลังลงไปโดยลําดับอีกเช่นเดียวกัน นี่พวกเราทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็น่าจะคิดให้มีความหนักแน่นแม่นยำเข้าไปโดยลำดับในข้ออัจข้อทำและการประพฤติปฏิบัติของตนไม่ควรจะผิดพลาดพลาดพลาดเคลื่อนเคลื่อนให้เห็นอยู่ยงที่เป็นอยู่เวลานี้เลยเพราะผู้ที่มานี้มาใหม่ก็มีอยู่เก่าก็ามีความผิดพลาดนั้น มักจะมีอยู่ด้วยกันทั้งผู้มาใหม่และผู้อยู่เก่านี่ก็เป็นเครื่องสอให้เห็นถึงความไม่จริงจังไม่คิดอ่านใส่รองไม่มีท่าทางแห่งความเป็นผู้มีสติติดแนบอยู่ในกิริยาอาการและการกระทานั้นๆบ้างเลยจึงทาให้วิตกวิจารในเรื่องธรรมทั้งหลายที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และวิตกวิจารเกี่ยวกับ สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมทั้งหลายซึ่งยิ่งแนบสนิทติดกับใจของเรายิ่งกว่าธรรมจะอีกนั่นแลที่จะทำให้เราเสียความมุ่งหวังเสียความตั้งใจเสียผลเสียประโยชน์ที่ตนมุ่งหวังไว้อย่างแรงกล้าให้ล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงควรพิจารณาให้ดีเรื่องเหล่านี้ ผมเคยแนะนำสั่งสอนและเคยได้พูดให้ฟังในปฏิปทาไม่ใช่นำมาโก อ, อวดหมู่เพื่อนได้ทำอย่างที่พูดนั้นจริงๆและเคยพูดเสมอว่ากิจการงานใดๆก็ตามที่เราเคยได้ผ่านมาในโลกนี้ทั้งหนักทั้งเบาหยาบละเอียดรวมแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อย แต่เมื่อนํามาเทียบกับภาคปฏิบัติในการต่อสู้กับกิเลสหรือการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี้แล้วกลกันลิบลับประหนึ่งว่าเป็นคนนรกมั น, นหลือนั่นฟังสิรับตั้งแต่วันเก้าออกปฏิบัติไม่ปรากฏว่าจะมีความสุขความสบายเพราะการปล่อยใจ ให้อยู่สบายสบายโดยไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแยงแข่งดีกันเลยแต่มีตั้งแต่สิ่งที่เป็นค่าศึกคอยเหยียบคอยย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้นอนใจไม่ได้นี่แหละอันเป็นสาเหตุที่จะให้หนักแน่นในความเพียรโดยท่าต่อสู้ต่างๆ นี่ก็เคยได้พูดว่าตั้งแต่วันหยุดเรียนหนังสือออกมาตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะส่งพูดง่ายๆให้เต็มตามความรู้สึกที่มีอยู่เต็มหัวใจนั้นละให้ได้ครองทำชั้นยอดเยี่ยมได้แก่อรหัสตัดธรรมมีความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจ มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเปลี่ยนจยึงต้องหมุนไปตามๆกันนี่แหละเรื่องความลำบากทําให้เกิดความลำบากมากเป็นลําดับตลำดาทุกแสนทุก์ก็ต้องทนเมื่อผลพอปรากฏขึ้นจากความทุกประเภทนั้นที่เรียกว่าความเปลี่ยนในท่านั้นเช่นอดอาหารหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยในวันหนึ่ง ใครจะอยากอดเพราะความอดความหิวนี่เป็นเรื่องของทุกทั้งนั้นก็ต้องทนถ้าไม่ทนรับปล่อยให้ฉันไปตามอาเภอใจร่างกายมีกำลังก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสตัณหามีราคะเป็นสำคัญให้ดิดให้ดิ้นอยู่อย่างลึกลับภายนาจในจิตใจแม่จะไม่แสดงออกมาในอวัยวะต่างๆก็ตาม ก็เป็นสิ่งลำคาญและเป็นสิ่งจิตขวางจิตใจให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่นั่นแหละ mm. เมื่อได้อดลงไปดักสันดานกันลงไปการประกอบความเพียรก็ค่อยสะดวกสติสตังก็ค่อยมีขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แสดงตัวรบกวนภายในจิตใจโดยเฉพาะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่างกายเลยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจให้ลาคาญอยู่นั่นแหละ เมื่อได้ฝึกทรมานกันอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สงบยุบยอบลงไปบางครั้งปนว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบไปหมดเพราะอำนาจแห่งการทรมานขนาดนหนักๆคือการอดทาหารนี่ยเป็นเครื่องช่วยสติก็ดีทินี้พิ่จะนาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเมื่อผลเห็นอยู่ คือสติก็ดีเพราะการอดอาหารปัญญาก็ดีเพราะการอดอาหารคล่องตัวจิตก็สงบเย็นไม่มีอะไรรบกวนใจแม้ร่างกายจะทุกข์แต่จิตใจเย็นสบายสงบเงียบนอกจากนั้นยังมีลักษณะที่ให้เกิดความกรหยิมยิ้มย่องภายในตัวเองอยู่ลึกๆนะแล้ว เมื่อผลเป็นเช่นนี้เราจะปล่อยตามอำเภอใจกินสบายชันสบายนอนสบายได้อย่างไรเพราะสิ่ง น, นี้มันเป็นภัยต่อความเพียนให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงต้องได้ฝ่าได้ฝืนการฝ่าฝืนการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นทีเดียวทุกมากทุกน้อยบางครั้ง เดินเข้ามาในหมู่บ้านจะไม่ถึงหมู่บ้านก็มีเพราะกําลังไม่อาํานวยก็ทนแต่จิตใจเหมือนจะ้อเหินเดินฟ้าฟังสิผิดกันไหมนี่ละ่ะสิ่งที่จะให้เราตะเกียบตะกายมันเด่นอยู่ภายในจิตใจยิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่เพราะอดด้วยความเพียรไม่ใช่อดเฉยๆทนเฉยๆ อดด้วยความเพียรทนด้วยความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีหมุนกันเข้าไปตลอดเวลาอันนี้ไม่ถอยไม่ลดละมีแต่เพิ่มขึ้นจิตเมื่อได้รับการอบรมศึกษาหรือบำรุงอยู่ไม่ขาดบักขาดตอนย่อมมีความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายปรากฏเป็นผลแห่งความสงบเย็นใจขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับเป็นความสว่างสวัยภายในตัวเองบางครั้งให อดนึกวิตกไม่ได้หรือวิจารณาต่างๆในทางที่ดีคือเป็นความอัศจรรย์ในความสว่างสวัยของใจทั้งๆ ท, ง ท, งที่ร่างกายจะก้าวไม่ออกเดินจมกรมนี้ไม่ได้กี่ตลบแล้วจะก้าวไม่ออกเหนื่อยเอามากมากายกองต้องได้ยืนต้องได้นั่งแต่จิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ความสว่างสวัย เอ็มอยู่ภายในหัวอกนี่พูดง่ายะเป็นของอัศจรรย์อยู่ภายในนี่แหละพาให้ตะเกียกตะกายพาให้อดพาให้ทนพาให้ต่อสู้เรื่องความทุกข์ทั้งหลายและไม่ใช่เป็นอยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวตั้งแต่วันเก้าออกเพื่อการปฏิบัติมีแต่ความได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฟื้นความต้องการของธาตุของขันอยู่เรื่อยมาจน ถ, ถึงกับท้องก็เสียแต่ไม่เคยวิตกวิจารณ์ ในเรื่องสิทธิเหล่านี้นอกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายที่เราต้องการคือความพ้นทุกข์เท่านั้นน่ะทั้งๆที่ทุนต้นทุนของเราไม่มีกี่บาทกี่สตางค์ก็ตามแต่ความมุ่งเป็นมหาเศรษฐีนั้นล้นหัวใจนี่แหละทําให้ความเพียรเป็นแบบอัศจรรย์จนกระทั่งที่ว่าลืมไม่ได้ถึงกับต้องได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าเราเป็นเช่นนั้นนิสัยของเราบางครั้งถึงจะเป็นแต่ตายจริงๆแต่ก็ อันหนึ่งที่พอฟัดพอเหวี่ยงพอเป็นเครื่องระลึกอย่างฝังลึกที่สุดก็คือหัวใจดวงนั้นไม่ได้เป็นเหมือนอย่างร่างกายที่แสดงออกมาด้วยความอ่อนแอท้อแท้แต่เป็นความขึงขังตึงตังเป็นความสง่างามสว่างสวัยเต็มหัวใจเนี่ยแล้วมีความหวังอยู่ภายในนั้นอีกด้วยว่า จะต้องก้าวจะต้องเดินจะต้องขยับขยายตัวให้มีกำลังมากถ้าพูดถึงเรื่องความสว่างยังจะสว่างมากกว่านี้พูดถึงเรื่งกำลังของใจยังจะมีกำลังมากกว่านี้พูดถึงความอาศัศจรรย์ยังจะอศัศจรรย์มากกว่านี้นั่นนี่แหละสิ่งที่พาให้ดึงดูดทำให้ลืมในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายในการอดหรือในการทนท้งทรมานทางร่างกาย แล้วเป็นเรื่อยไปอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงขั้นของสติปัญญาที่กล้าตัวออกทํางานอย่างเราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็ก้าออกแล้วก้าออกแล้วเป็นไปแล้วไอ้เรื่องความภาคเพลียนี่เรื่องการอดก็ต้องอดไปอยู่อย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วของสติปัญญาให้ได้ทันกับเหตุการณ์และตัดขาดกันในไม่ช้าพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเลย นี่เมื่อเป็นฉะนั้นความสุขในร่างกายนี้จะเอามาจากไหนก็มีตั้งแต่รองเรื่องความทุกข์แต่ความสุขในใจนั้นโศกถึงท่้นที่สุขแล้วสุขถึงข่านอัศจรรย์อัศจรรย์ไปโดยลาดับลาดานี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ดึงดูดให้ก้าวให้ไม่ให้เสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่เราหวังอยู่นั่นจางเต็มหัวใจมีวันหนึ่งจะให้ได้ จะเอาให้ได้นี่เดียกว่าความหวังหวังอย่างเต็มหัวใจความเพียจรจึงหมุนไปตามความหวังอ น, นันตไม่มีอะไรที่คำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังมีแต่หมุนเรื่อยๆด้ว ย, วยเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวให้เห็นประจกักษ์ภายในใจของตัวในวันใดวันหนึ่งนี้เท่านั้นนันี่ถึงเนี่เป็นความทุกข์ความลาบากมากในการประกอบความภาคเพียร จนกระทั่งเต็มสติกำลังความสามารถเอาพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่า <c oughs> ไม่สงสัยในการก้าวเดินแห่งความเพียงทั้งหลายว่าจะก้าวไปที่ไหนอีกสิ่งที่ต้องการก็ไม่สงสัยว่าจะต้องการอะไรอีกความหลุดพ้นภาณในจิตใจก็ไม่ต้องการว่าจะหลุดพ้นไปเพื่ออะไรอีกเต็มหัวใจแล้วยิ่งเป็นเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อย เครื่องทับประสำาระอันเป็นแนวรบเครื่องรบออกจากตัวของตัวอยู่ <c oughs> ด้วยความผาสุกเย็นใจไร้กงังวลหมดอดีตอนาคตไม่มีสินใดปรากฏเลยว่าจะหวังอะไรอีกต่อไปพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กราบราบหมดพระสาวกท่านมีกี่พระองค์ในบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กราบราบหมด ไม่มีสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีพระราหันท่านทั้งหลายมีหรือไม่มีาศาสนธรรมนี้เป็นธรรมที่ยอดที่สุดในสามแดนโลกถานนี้ไม่มีอะไรเสมอก็เต็มหัวใจหาที่สงสัยไม่ได้เมื่อถึงท่านที่เต็มแล้วมันเต็มอย่างร <c oughs> เรื่องพบเรื่องชาติก็คือตัวของจิต ตามร่องรอยเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกอันแตกตัวพยศมันครอบหัวใจพาให้ดิ้นรนกระวนกระวายกวาดแกงต่อสู้กับอัดกับทำเรื่อยมาก็ฟัดกันไปฟัดกันมาแล้วค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเหลือแต่ความบริสุทธิล์ล้วนลวนพระพุทธเจา้าท่านบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัย พระสาวกอรหัตรหรันท่านสงศสุดอย่างไรไม่สงสัยหาความสงสัยไม่ได้แม้ที่สุดท่านว่านิพพานเป็นอย่างไรไม่สงสัยทั้งๆที่อยากเต็มหัวใจในขณะบำเพ็ญแต่เมื่อถึงไปเต็มขีดเต็มแดนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วหมดความอยากโดยประการทั้งปวงอยู่โดยหลักธรรมาชาติแห่งความเป็นจริงที่ เลิศเลอก็ได้หรือว่าจะที่ไม่เหมือนอะไรทั้งทั้งนั้นในสามแดนโลกฐานนี้ไม่มีธรรมชาตินี้ไม่ได้เหมือนอะไรทั้งนั้นก็ก็ถูกถ้าว่าอยู่ก็อยู่กับธรรมชาตินั่นทนี้เป็นยังไงเรื่อง จ, จิตใจที่ถูกจองจำบีบบังคับอยู่ตลอดเวลามากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยตามร่องรอยของพบของชาติแห่งจิตนี้มาโดยลดับจกนกระทั่งเข้าถึงตัว อะไรเป็นตัวสําคัญเป็นสาเหตุสาคัญให้จิตนี่หมุนไม่หยุด่ง ไ, ไม่ถอยเกิดนี้ตายนั้นเกิดนั้นตายนี้ที่ไหนที่จิต ด, ดวงนี้ไม่ได้ไปเกิดไม่ปรากฏว่ามีเกิดได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่เกิดที่ตายของจิต ด, ดวงนี้จิต ด, ดวงเดียวนี้แหละเพราะนานแสนนานที่เคยเป็นมามากน้อยอย่างไรตามจนกระทั่งเข้าถึงตัวมีอะไรก็มีอันเดียวเท่านั้น ที่ว่าอาวิชาปฏิยาสั้งคาลาเมื่อถอนธรรมชาติที่เป็นชื่ออันสําคัญหรือเป็นตัวเสนีย์จันเลของพบของชาติอันสําคัญออกโดยสิ้นเชิงแล้วหาอะไรอีกยีกนี้จะกล้าไปไหนอีกหมุนไปไหนอีกก็ไม่มีอะไรหมุนจะเอาอะไรหมุนความไม่หมุนนั่นแหละคือความสุขที่สุดในโลกความหยุดอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของตนที่หมดเหตุปทประจัยแล้วนั่นแหละ คือความสิ้นสุดหรือบิมุดบุรพ้นหรือความประเสริฐสุดแดนแห่งโลกถาตนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นคุ้มค่ากันหรือไม่ในการประกอบความภาคเพียสรสละเป็นสละตายชีวิตนี้ไม่มีความหมายในเวลาไม่ให้มีเป็นก็เป็นตายก็ตายเป็นยังไงก็จะเอาให้ได้ที่เท่านั้นนี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ความลาบากแต่อันหนึ่งที่ทาให้พาตะเกียรตะกายก็คือกำลังของใจไม่มีคาว่าถอย เป็นก็เป็นตายก็ตายถึงไหนถึงกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไม่ได้หลอกบวงโลกแล้วสิ่งที่เห็นประจับมาโดยลําดับลําดาที่เป็นผลของการปฏิบัติก็เห็นมาโดยลําดับลําดานั่นแหละที่เป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลานี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกขนาดนั้นแหละหากเราจะนําความทุกข์ทั้งหลายในการฝึกทรมานหรือในการสังหารกิเลสต่อสู้กิเลสนี้มา เทียบมาเคียงกับการแนะนาสั่งสอนโลกทั่วไปไม่ว่าผู้หนึ่งผู้หลายก็ตามแล้วเหมือนกับว่าจะเราจะสอนไม่ได้สอนไม่ลงลำบากลำบนไม่อยากจะยุ่งเลยประหนึ่งว่ามันสุดเอื้อมพูดถีงจะปฏิบัติตามพูดแล้วเหมือนกับมาโกหกกันจะทำยังไงเขาอยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไปเถอะ เมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกันกับจิตนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้เป็นก็เป็นได้ตายก็ตายได้มันมีน้ำหนักเท่ากันหมดเมื่อมันหมดสิ่งเกี่ยวเกอะแล้วสิ่งเกี่ยวเกาะคืออะไรก็กิเลสเป็นตัวเหตุทีงทําให้เกี่ยวเกาะกับสมมุตินั้นนี้ยั่วเยี่ยไปหมดสามแต่ยกฐานนี้มีความเกี่ยวโยงกับจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นพอตัดธรรมชาตินั้นออกแล้วอะไรมาเกี่ยวโยงอะไรมามาเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่มีเลยจะว่าไง นั่นเห็นใหม่เรื่องมันพิกตะปัดกันความรู้นั้นรู้นี้อะไรอะไรที่เวลาทรงทรา้าทรงขันีนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของสมมุติที่เกี่ยวข้องกันอยู่ธรรมดาธรรมดายิบแยบยิบแยบนี่เหมือนกับหางกิ้งเหลนมันขาดหางกิ้งจกขาดนี่เท่านั้นเองพอหมดเหตุหมดจะปัจจัยแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปตามสภาพเดิมของตนแล้วธรรมชาตินั้นไปคิดไปอ่านหาหลายให้เสียเวลาหมิลา ก็เป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักปัจจุบันอยู่แล้วถ้าจะพูดว่าปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับอะไรนี่การปฏิบัติพวกเรามันพวกลําบากเราจะทําอย่างสะดวกสบายเอาตามความต้องการอย่างนั้นยังไงมันก็ไปไม่รอดนาะนต้องฝืนต้องสู้ ความอยากเต็มหัวใจทำไมจะไม่ระบายออกมาทางตาทางหูทางจมูกอันเป็นทางระบายของความอยากมันต้องอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดเพราะหัวใจนั่นเป็นตัวอยากเมื่อหัวใจนั้นเป็นตัวอยากมันก็ต้องกระจายออกมาตามทางที่มันจะออกได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปและวันไหนมีความอิ่มพอในความอยากนี้ไม่มีถ้าไม่มีทำห้ามล้อไม่มีทาเป็นเบรกห้ามเอาไว้แล้วจะ เป็นอย่างนี้ตลอดไปทว่าตลอดไปนั้นมีกี่กับกี่กันแล้วนับได้ไหมนับไม่ได้เลยแล้วเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นหไะอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้กับที่เป็นมาแล้วมันก็เท่ากันจะเป็นไปอีกข้างหน้า น, นานเท่าไหร่ก็กําหนดไม่ได้ถ้าไม่แก้ธรรมชาตินี้ถอดถอนธรรมชาตินี้ออกให้หยุดตึก๊กลงไปเสียเท่านั้นจะหมุนตัวตลอดเวลาความหมุนตัวนั้นหมุนธรรมดาความช่วยหมุนไปด้วยความทุกข์ความลําบากความทรมาน นี่ที่มันสําคัญนี่ท่านวัดท่านจึงว่าทุกข้างนัติอาชาตัดสับทุกทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดกิจ ท, ที่หมดเรื่องความเกี่ยวข้องที่เรียกว่าเกิดตายนั้นแล้วเอาอะไรไปยุ่งนะทุกจะมาจากไหนทุกก็มาจากสิ่งเกี่ยวข้องคือความเกิดในภพนั่นภพนี้นั่นแหละจะมีอะไรทไปเกี่ยวข้องมีอันนี้เป็นสําคัญเมื่อแก่อันนี้ลงไปให้สิ้นสุดแล้วปัญหาก็หมดโดยประการทั้งปวง นันะพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นพระสาวกอราหันหัท่านเป็นอย่างนั้นจิตของท่านเป็นอย่างนั้นรู้แบบเดียวกันหมดแต่ไม่รู้แบบไถ่รู้แบบริมุดรู้แบบทำเลือดไม่ได้รู้แบบ <Okay. S 1> ที่เคยเป็นหมาความรู้นั้นรู้นี้ที่เจือเป็นไปด้วยที่เด็ดเป็นมิตรเป็นสหายเป็นฆ่าศึกศัตรูอยู่ตลอดเวลานั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติแท้ ที่มีอยู่ในขันนี้ก็รู้ว่าความรู้ีนเกี่ยวกับขันเท่านั้นเองยิ้มแย้บที่เป็นไปอยู่ทางตาทางหูทางจิตทางลิ้นทางกายนั้นก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของขันที่มีที่ครองตัวอยู่แต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่นอกเหนือจากขันไปแล้วและครองตัวอยู่ในเวลาขันยังอยู่นั้นไม่ได้เหมือนอะไรนี่อันนั้นจึงเอามาเทียบกับสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้น พระราท่านเป็นท่านตายในแบบใดก็าตามท่าใดก็าตามจึงไม่เป็นปัญหาที่เข้าไปกระทบกระเทือนกับธรรมชาตินั้นเลยนั่งพิจกันที่ตรงนั้นใครเป็นเข้าก็รู้เองไม่ต้องบอกใครเลยล่ะเนี่ยจะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านองก็ตามไม่มีแม้รายเดียวที่จะมามสงสัยในเรื่องความเป็นเพราะธรรมชาตินั้นเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างพอดิบพอดีแล้วสิ่งใดไม่พอดีรู้ทันทีธรรมชาตินั้นพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ต้องติดมาได้แล้วอันใดที่ นอกเหนือไปจากนั้นแม่นิดนึงก็รู้ทันทีรู้ทันีว่าไม่ใช่อันนั้นแนะมันก็เป็นไปเองตกไปเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องสลัดเป็นตกไปเองตกเองอย่างที่ท่านว่าอะไรในบาลีก็ลืมเสียว่าอ่าแม่น้ําตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งตกไปโดยที่แบบใบบัวก็ไม่ได้สลัดน้ําก็ไม่ตั้งใจจะซึมในใบบัวอากเป็นธรรมชาติที่กระทบกันแล้วตกไปตกไป มีอารมณ์แห่งสมมติทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นเหมือนใบบัวก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นการความเจ็บการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความทุกข์ขนาดไหนถึงล้มถึงตายก็ตามจะไม่มีแง่ใดส่วนใดเลยที่จะไปเข้าไปกระทบกระเทือนใบบัวคือจิตที่บริสุทธิ์ตรงนั้นให้มีความด่างพร้อยไปดังที่โลกสงสัยกันหรือสําคัญกันไม่มีเพราะนั้นเป็นอัฐานนะ่ะ เ, เป็นอะไรอีกไม่ได้แล้ว จะให้เป็นแบบสมมุติทั้งหลายเป็นไปแ ล, แล้วเพราะไม่ใช่สมมติน่ะนี่พูดถึงเรื่องความเพียรเพื่อให้เป็นคติแก่มู่เพื่อนทั้งหลายที่มาพุทธปฏิบัติย่าเห็นแก่หลับแก่นอนแก่อยู่แก่กินแก่ความอยากอะไรอยากเข้ามาก็คว้าอะไรอยากเข้ามาก็คว้ามันเป็นเรื่องของคนธรรมดาของ ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าไม่มีการฝืนกันดัดแปลงกัรบังคับบัญชากันบ้างก็ไม่มีเครื่องหมายว่าผู้ปฏิบัติผู้ต่อสู้มันก็จะเป็นเรื่องลอยลมไปเสียอะไรก็ลอยไปอะไรก็ไหลไปเสียตามลมตามแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เป็นอย่างนั้นวันไหนก็เป็นอย่างนั้นเดือนไหนก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งวันตายก็เป็นอย่างนี้และพบใดก็เป็นอย่างนั้นไปอีกนั้ เนี่ถ้าถ้าปล่อยให้เป็นไปตามมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคําว่าจืดจางว่างเปล่าไม่มีคําว่าสุขว่างงอมแล้วยุติการสตีไม่มีเรื่องการเกิดการตายไม่มีคําว่าสุขว่างอมไม่มีคําว่าล่าว่าสายมีเกิดมีตายอยู่ตามหลักธรรมชาติของเชื้อที่พาให้เป็นนั่นแหละถ้าไม่ถอนออกเจะให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะรู้ในวงปัจจุบันของตัวเอง นี่เวลานี้ก็นักปฏิบัติของเรากําลังเหลวๆหลายๆนี่เขาก็เขียนหนังสือมาเหมือนกับบัตรสนเทม า, าเหล่านี้ก็เรื่องภาพปฏิบัติเหล่านั้นแหละเราไม่ได้ตาหนิเขาที่เขาเขียนมาเป็นสิ่งที่เขาควรจะปรึกษาปรารุหรือควร ท, ที่จะบอกจะกล่าวในเรื่องเหล่านี้ก็ฟังแล้วก็อย่างว่านั่นแหละปีนาออกมันเหลวๆหลายๆเป็นอย่างนั้นไป สิ่งที่ใดไม่ควรให้เกิดมันเกิดทำให้เกิดสิ่งใดที่ควรให้เกิดไม่ยอมสนใจที่จะให้เกิดนี่สิมันจีบมันขวางสาสนาธรรมของพระเจ้าจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเราเนี่ยท่านสอนว่าอย่างนั้นมันกลับเป็นอย่างนี้ไปเสียมันชอบอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไปเสียเราหาที่จะเป็นสาระแก่งสารไม่ได้เลยนี่แล้วเป็นไปเป็นไปต่อไปก็จะไม่มีอะไรเหลือนะ ผู้ปฏิบัติกับทางจงกรมก็จะไม่มีต่อไปจะไม่มีทางจงกรมไม่มีสถานที่ทํางานสังหารกิเลส ข, ของผ้าปฏิบัติเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องสถานที่กิเลสสังหารทำสังหารตัวของผู้ปฏิบัติให้ล่วงจมทิพย์หายไปด้วยแบบไม่ไม่เอาไหนนะ่นะคุณ ง, ง่าง่ายนี่จะทํายังไงพวกเราแล้วเวลามาก็มามากมายอย่างนี้ก็เคยประกาศร่างกันอยู่นี่มันเท่าไหร่แล้วเป็นห้าสิบกว่า มันไม่ใช่ข้องไม่ใช่อื่นพอที่จะมาบรรจุเป็นปลากระป๋องอยู่ในกระป๋องก็ควรขยับขยายนที่จะให้พูดอะไรมากมายหนักหนาถ้ามากแล้วมันเป็นยังไงมันเหลวไหลายๆอย่างน่าดูไหมล่ะดูสิเป็นยังไงการอบรมสั่งสอนก็สงสอนเต็มผุ่มแล้วไม่มีอะไรที่เหลืออยู่แล้วในการสั่งสอนมู่เพื่อนหากจะยืดไปเป็นข้อปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเอง เราก็ไม่สงสัยว่าอุบายที่นำไปนั้นผิดไป <ừ. S 1> เพราะการสอนไม่ได้สงสัยว่าได้สอนผิดไปจากหลักธรรมและจากหลักผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติได้รู้เห็นหนา <ừ. S 1> มันควรจะได้แล้วนี่นี่ยิงหนาแน่นตันนน ว, น ว, นวัน่ตัวนแล้วสิ่งใดที่มันแสดงหูงแสดงตามันเต็มอยู่เสมอนะเป็นอยู่เสมอมีอยู่เสมอ อันนี้ที่ทําให้วิตกจานเี่ยวก็เรื่องหมู่เพื่อนของไม่ละเอียดเลยของยำหยาบมันก็ได้พูดด้วยว่ากันอยู่เพราะจิตไม่จดจ่อจิตไม่จริงไม่จังฟังก็ฟังแบบที่ผิวเผินเพินสับแต่ว่าฟังอเวลาปฏิบัติมันก็เป็นไปตามนิสัยที่เลีวเลีวหลายๆนั่นเนี่ยให้เห็นความเล้ยวหลไหลแสดงออกแต่ทาอะไรมันก็เห็นความเลี้ยวไหลของการทําำด้วยดีปิดไม่อยู่ทําให้เห็นอยูอย่างนั้นแหละ อย่างที่พูดเมื่อสอง้นวันนี่บอกให้เอากระถนใบเล็กติดรถไปด้วยนะฟังเสียงครับก็ด้วยนะแล้วพขาก็ออกไปนั่งกับคนดูกระถิ่นไปเป็นใบใหญ่นี่ฟังสิมันเป็นยังไงอะปิดประตูรถให้ออกไปก็พอก้าออปานี้ก็ต้องได้ปิดใหม่ค น, คนเก่านั่นแหละพระ อ, องค์เก่านั่นแหละแล้ววันหลังปิดประตูให้อีกออกไปอีกก็ต้องเลยปิดใหม่อีกพระ อ, องค์เก่านั้นแหละ นี่ทำให้ผมคิดมากแลยนะเวลานี้พระองค์เก่ามันถึงสามวาระแล้วเป็นยังไงควรจะอยู่วัดนี้หรือมันจริงจังอะไรอย่างนั้นพูดเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจงใจเกี่ยวกับเรื่องเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองจึงพูดตรงไหนจับไว้ตรงนั้นตรงนั้นเพื่อเอาความจั์ความจริงกับหมู่กับเพื่อนมันเป็นยังไงผู้มาศึกษาอบรม มาด้วยเลื่อนลอยๆดังที่เป็นอยู่ที่ประกาศอยู่เวลานี้ลือมาอย่างไงมันเห็นแล้วนะนี่มันรู้แล้วนี่เป็นยังไงไม่มีอะไรจริงๆจังๆเไยสักนิดเดียวนี่จะความเหลวๆลายใหญ่มี่สามเวลาแล้วนี่แสดงว่าจิตนี่เลื่อนลอยออกมากสีเดียวหาที่เกาะที่นั่นไม่ได้คำพูดหลวงคุบวอาจารย์ที่เรามาเพื่อการศึกษาอลวมมันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นที่สะดุดใจ แต่นิ่มไหมเน่ะถ้าสะดุดใจทําไมมันถึงจะจับผิดไปก็ถนเล็กกับกระถุนใหญ่มันต่างกันยังไงอืมถ้ามันไม่มีก็บอกว่าไม่มีแต่นิ่งกระถุนมันก็มีเนี่ยจะหาข้อแก้ตัวก็หาแก้มาได้เอาปิดประตูรถไม่เป็นยังไงมันถึงปิดไม่สนี่เนี่ยต้องปิดมาอีกเอฟอีบ้านหลังเปิดปิดอีกไปบิดไปเปิดมาอีกไปปิดปิดใหม่อีกนี่มันเป็นยังไงนี่แสดงว่าความไม่สังเกตไม่พิจารณาไม่เจาะจงยึด กับสติไม่อยู่ด้วยกันเลยมันเร็วหลายอย่างนี้จะว่าไงนี่ลายหนึ่งยกลายขึ้นมาลายหนึ่งแล้วอเป็นยังไงในวัดนี้มีกี่องค์เรื่เป็นยังไงบ้างแต่ปากันคิดหรืหรือ ห, หรือเปล่าล่ะนี่มันเป็นเรื่องของเฉลี่ยหรือเรื่องของธรรมเรื่องของสติของปัญญาหรือเป็นเรื่องของกเฉลี่ยเรื่องเลวๆหลายๆที่เคยเป็นมาแล้วนั้นนั้นน่าคิดอยู่มากนะอัันนนี้มทําให้อดคิดไม่ได้นะนี่ผู้แนะนําจํงสอนมูพูด เป็นผู้น้อยแเราก็เคยเป็นไม่ใช่มาเป็นผู้ใหญ่เอาสค่ทีเดียวนี้เป็นผู้น้อยก็เคยเป็นครูบาอาจารย์พูดอะไรนี่มันเป็นยังไงนี่ึงมาเทียบกันอย่างนี้น่ะถ้าหาว่าเราไม่เคยเป็นผู้น้อยเราไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์มาก็เป็นอีกอย่างนึ่งนี่เราก็เคยศึกษามาท่านพูดในแง่ไหนอันใดอันไหนมันควรจะเป็นคติตัวอย่างอะไรได้บ้างเหรือคำพูดที่พูดเหล่านี้มันไม่มีสาระอะไรเลยเหรือก็หมู่กับเพื่อนมันถึงไม่เป็นที่ให้สนใจพอที่จะยืดไปพก ปฏิบัติให้เป็นสาระปุงจากตนบ้างมันเป็นไรนี่กดเข้ามาด้วนเข้ามานะเวลานี้พระกรรมาฐานโหตุเล็กเลยนะในวัด ห, หนึ่งๆยังมีทางยังกรมมีแต่การก่อการสร้างยุ่งไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรื่องการก่อการสร้างเนี่มันไม่ใชออ่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูที่ตำลับตํำลาําหรับพระเราไปสร้างอะไรหาอะไร อยู่ที่ไหนมีตำหนักตลาบอกว่าอย่างชัดเจนไม่ใชเรื่องเดินจอกลมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ป่านั้นเขาลูกนี้มีแต่อย่างงั้นนะมันตําตากันอยู่นี่จีว่างี้เอาอุตรีมาอุตรีมาพูดได้ยังไงก็มันตําตาอย่างนี่ยเห็นอยู่ในตำหนักตำลา ร, รู้อยู่เนี่ยเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้เรียนมานี่มาพูดให้หมู่บนฟังโกหไปตรงไหนเนี่ยตำหนักตำลามีอยู่การก่อการสร้างเอาเป็นคู่แข่งของาศาสนธรรมมีที่ตรงไหนไม่เห็นหมี เฉพาะท่านแสดงไว้บ้างก็มีที่นำวิสาขาสร้างวิหารหรือสร้างศาลาใหญ่ที่ว่าใหญ่นะั่นใหญ่ขนาดไหนไม่รู้แล้วให้พระโมคขลานเป็นผู้บัญชางานเป็นผู้ดูแลในงานนั้นนี่พระโมกขลานาท่านก็เป็นพระรหารเป็นตั้งสิเรายังไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่อยู่ในเขานั้นในป่านี้เดินโยกม น, นั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเห็นเอาอะไรมาแขนตลาดเขามาแข่งโลกเขา สร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดเวลานี้พ้าเรามีแต่อย่างนั้นนะอู่เฉยไม่ได้ต้องไปหาเก่าในที่ไม่คันทํานั่นปอกแปลกในวันนี่อย่ามายุ่งนะถ้าไม่อยากอยู่ให้หนีไล่นี้เลยอย่าเอามายุ่งเอามาเกี่ยวข้องอย่ามาเป็นค่าศึกกันเรามาเห็นสิ่งเหล่านี้วิเศษวิโสอะไรไม้มันวิเศษไหลไม้อีดปูนหินทรามันวิเศษวิโสหลไรมันเกินอยู่แผ่นดินอยู่นี่มันวิเศษวิโสหลไรทำตั้งหากทำวิเศษพทะเจ้าตรัสรู้ทำไม่ได้ตรัสรู้หินทรายปูนว่าเป็นของวิเศษไม่ได้ยกขึ้นว่าหินปูนทรายฉันนงกระฉามีนี่นะ แล้วทําไมเรามันถึงได้นับถือนักหนามันถึงสนใจนักหนามันดิ้นบ้าเอานักหนานไอ้ที่ไหนมีเรื่ยุ่งไปหมดควานบ้าคววนบ้านกววนเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมองเห็นหน้าด้านหน้าโยมไม่ได้ควายแตจะเอาห้าเอาสิบกับเขาคววนบ้านกววนเมืองมันเป็นยังไงอย่างนั้นนี่แหะถ้ามันถ้ามันดิ้นแล้วมันเป็นอย่างั้นนะหาความสงบสิทายังไงจิตตัวไหนมันดิ้นอยู่แลเนี่นย ถ้ไมใช่จิตจะอัไหนคนตายแล้วมันดิ้นที่ไหนจิตตัวนี้แ่ะตัวมันดิ้นอย่างนี้ดูตัวมันดิ้นนั่นสิมันจะดิน้นที่ไหนตั้งหน้าต่างตาดูมันตั้งหน้าต่างตาพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาฆ่ามีตลอเวลามันจะไปไหนกิเลสกิเลส เ, เป็นของที่ฆ่าได้ทำลายได้ไม่งั้นพรุทธเจ้าไม่สอนให้ทำลายกิเลสให้ฆ่ากิเลสนี่มันไม่สนใจเพราะเป็นแก้ลำคาลําคาลมันแก้ลำคาญแล้วมันเพิ่มลำคาญอันเนี้ย อยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างทำนั่นทำนี่ปุ๊กปุ๊ปป๊กป ก, ปกอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเป็นบ้าไปหมดเนี่ยจะทำยังไงเราผู้จริงๆเราไม่เห็นสาละอะไรกับสิ่งล่านี้เลยขอให้จิตมันสงา่าผ่าเผยอยู่ในหัวใจเจ้าของเถอะถ้าพูดถึงสมาธิก็สงบแน่วเอาถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิขั้นใดคะได้ส่งไว้ส่งไว้ที่จะเป็นยังไงมันต่างกันไหมกับอิปพูนหินทายนี่หน่ะสมาธิความสงบใจมันต่างกันไหมกับอิปพูนกับหินกับทรายเหล่านี้ ปัญญาเป็นย Bond ังไงต่างกันไหนกับสิ่งเหล่านี้จะตลอดตลอดถึงบิมุตดดุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต่างกันไหนกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเลิศด้วยอันใดสาวกเลิศด้วยอันใดทำที่ว่าที่ว่าทำทำมันอิดพูนหินทรายหรือทำกราบอันนี้หรือให้สั่งให้โลกกราบนี้หรือทำมาสังกระจารย์นี่คือหินคือทรายให้กราบตรงนี้เหรอมันทํามาถึงดิ้นหรืนั่งหนาถ้าเราเนี่ยนับบรรดาาเวลาเนี่ยใครอยู่ที่ไหนย่อมตั้งแต่หลังการก่อการสร้าง ไม่ได้สนใจกับเดินจงกรมนั่งสมาธภาวนาที่จะฆ่ากิเลสตัวมันคึกมันขนองตัวมันดิ้นโดนเป็นหมาขี่เลื่อนอยู่ภายในหัวใจนั้นบ้างเลยแล้วจะทำํำยังไงนี่มันจะหมดในหน้าศาสนาอืมีแต่ในรรมัมภีรมีแต่ในตู้ในหีก็เฉยในหัวใจของพระของเนรผู้ปฏิบัติเรามันไม่มีนะเวลาเนี่ยมันมีแต่ความดิ้นบ้านย่างนี้พี่หน้าสิเดี๋ยวนี้เดาฟังกันแล้วยังนะที่พูดอัเ น, นี้หรือพูดเล่นดรืยห น, นิ มันพิเศษพิสูจน์อะไรถึงเนี้ยความสนใจอยู่ในจุดใดเวลาเนี้อยู่ในปุนในอิฐในหินในทรายในไม้ในตอบอะไรไปอย่างนั้นเหรอไม่ได้อยู่ในอ่ในธรรมเหรอมไม่อยู่กับศีลไม่อยู่กับสมาธิไม่อยู่กับปัญญาไม่อยู่กับการฆ่ากิเลสตัวมันเป็นภัยนั่นเหรอมันเป็นอย่างไงมันต้องได้ดิ้นอ่ะนั่งหนาโอ้โสรดสังเวชนานนี่นะพี่ว่าไงว่ายังไงก็แบบเก่าแบบเก่าทำมันไม่เป็นท่าแล้วให้ไปกันจะให้หมดะเราอยู่คนเดียวเราอยู่ได้นะทำไมจะอยู่ไม่ได้ เอาลองูสิหมูเพื่อนไปผมจะอยู่ได้ไหมถ้าพูดแล้วมันไม่ฟังเสียงกันอย่างเนี้ยอยู่ทําไมพูดกันทำไมถ้ามันหมดลมปากไปออก ป, ปากไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่คนเดียวไม่ได้พูดนั่งแสนสบายนะเราจะหวัง อ, อะไรเอาลองดูสิหมูเพื่อนไปเราเราจะเป็นยังไงเราจะมีที่พ <c oughs> ึ่งไหมเราจะอยู่ได้ไหมนี่นาสิอยู่ด้วยกันนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องยุงย่งนั่นนั้นนี่อยู่ตลอดเวลาไม่มองดูหัวใจเจ้าของบ้างเลยสอนอะไรก็ไม่สนใจนี่ แต่วออกจากนี้ก็แสดงรวดลายนล้วเนี่ยอื mm. พอไปจะไปเริ่มสร้างไปอยู่ที่ไหนเอาแล้วนะขึ้นหอปราสาราชมณฑเทียนไปแล้วนะแข่งบ้านแข่งเมืองเขานั่นเป็นนักแข่งไปแล้วนะแล้วควรบ้านควรเมืองไปในขนาดเดียวกันด้วยไหนมันนักเลือดนะไม่เห็ น, า น, านะเนคุณค่าของทำที่ท่านสอนไว้เพื่อความเลือดโลกเลิอดในหัวใจนี้บ้างเลยจะทาไงเอาเองที่เพียงสมาธิเฉยก็พอ พออยู่พอกินพอเป็นพอไปสงบสบายไม่ดิน้นไม่หล่นเลยเคยเป็นมาแล้วนี่น่ะไม่ใช่พูดเฉยนี่แล้วไม่ได้อวดใครนี่เป็นมาแล้วนี่อเอจะทำนันสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้นี่แน่วอยู่นั้นนไม่ต้องไ ม, ไม่มีอากัปกิริยาของจิตที่จะคิดปรุงไปในเรื่องอะไรเลยนั่นฟังสีนั่นแหละสมาธิที่แนบแน่นที่สุดมิดเหลือแต่ความรู้ที่เด่งอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาการอดไที่ยยิบยับมาแม้แสงยิ่งอย่างแบบแสงยิ่ง้อยก็ไม่มีนั่นแหละถึงเรีว่าสมาธิที่ เนียบเงียบที่สุดจากนั้นมาก็เอาให้ลงให้เต็มที่นี่ร่างกายนี่หายเงียบไปหมดเลยนะฟั้งสิไม่ได้มาอวดนั้นนีเป็นแล้วนะผมอวดหมู่เพื่อนยังไงผมสอนหมู่เพื่อนเพื่ออะไรเพื่อทำแ ท, ท้ๆทุ่มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนอวดหาอะไรนี่ก็ะูุแล้วเป็นยังไงเพียงข้าวนี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะนั้นถึงจะติดอืมติดสมาีิไม่จะออกนันแสนสบายอยู่นั้นไม่ยุ่งอะไรเลยสุดท้ายก็ถึงขาา้อว่าสมา ความรู้ที่ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยดปนเลยเหลือความรู้อันเดียวตอนนี้นี่เคือจะเป็นนิพพานอันนี้เองอันนี้เองเนมันก็ยิ่งติดแน่นกันไปถึงพ่อแม่ขรูอาจารย์สาปเก็ไล่ขนาบออกจากนั้นมันถึงได้ออกแล้วไม่ได้ลืมสิ่งเหลนี้เพราะอันนี่มาบาดีมันไม่ได้ดีเมื่อมีทำขั้นสูงกว่านี้เข้ามาเปรียบเทียบหรือมาเป็นคู่แข่งกันแล้วยิงได้ออกไปก็ออกไปพอเก้าถึงถึงขั้นปัญญาแล้วอารลนะที่นี่น่ะเฮอมันก็ย้อนมันไม่พอดีอย่างว่าโอ้สมาธินี่นอนตายเฉย ไม่นย่งนี้เรื่องราวอะไรปัญญาต่างหากเนี่ยทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดรอบตัวกิเลสกับกิตก็เบาลงเบาลงเบาลงแสงสว่างก็จางแจ้งที่ เ, เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญานี้มันผิดกับทางด้านสมาธิเป็นนไหนนั่นที่นี่นั้นต่างไหมพิจารณาสินั้นต่างกับปิด ก, กับปุนกับเห็นกับสายนี่ไหมพิจารณาสิอันนี้ใครๆเขาก็ทําได้โลกเขาก็ทําได้มั น, มนวิเศษวิโสอะไรเขามากราบ พ, พวกพระเนนเหล่านี้เขาไม่มากราบเพอพระเนนมีปุตมี มีปูนมีอิฐมีทรายมัดติดคออยู่แบกอยู่บนบานนะ่ะเขามามากราบด้วยความเป็นผู้แบบเข่งคัดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตต์หลุดพ้นในธรรมตั้งหๆต่างหากนี่นะเขาว่าเนี่ยมากราบเพื่ออิฐปูนหินทรายที่มัดติดคอพระอยู่แล้วแล้วไอ้ทับหัวพระอยู่นี่นะแล้วมาสนใจอะไรต่างหากสิ่งอย่างนี้นั้นวิเศษวิสโสอะไรเนี่ยพูดนะั้นยังเต็มที่เหล่นานั้นเองนะวันนี้ พอพูกมามากต่อมากแล้วได้พิจนาหมดแล้วนั่นนี่นะเอามาเทียบกันเพียงสมาธิมันก็เป็นคนละโลกแล้วอิฐปูนหินซานี้เทียบกับความสงบผลสมาธิแห่งการบำเพ็ญตัวเองเพียงแค่นั้นมันก็รู้แล้วว่ามันเด่นกว่กากันมากขนาดไหนเลิกก็การขนาดไหนยิ่งเนี้ยออกจากนั้นก็ ข, ข, ข้าถึงขั้นปัญญาปัญญาเป็นขั้นที่ข่ากิเลสที่นี่เอากิเลสมันมีอยู่ช้นินไหนมีอยู่ภ า, ายในจิตใจเท่าไหร่พังลงไปพังลงไปด้วยอานาจของปัญญายิ่งดิ้นยิ่งดิดทางด้านปัญญาขึ้นยังขนาดถึงว่าไม่รู้จักเวลาไม่รานเลย เลยเถิดธนาอุทัจจะนี่ก็เป็นเป็นมาแล้วนี่นะมันเพลินขนาดนั้นดิวังสิเป็นตายไม่ได้สนใจอะไรเวลาถึงขั้นมันเพลินไม่มีรถมีชาติเ้เพลินเพลินได้ยังไงเอาจนกระทั่งถึงฟ้านม้วนเสือลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นยังไงที่นี่นะต่างกันไหมกับสามแดนโลกธาตุนี่เอามาเปลี่ยนกันได้ไหมจิตดวงนั้นก็เอาสาแดนโลกธาตุนี้มอบถวายหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี่ให้เป็นสมบัติของบุคคลผู้เดียวกาบจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นจะว่าไงาาพี่นาสี มันเห็นทั้งนั้นสิถึงธรรมริญญาณเป็นธรรมะที่สอนอย่างแท้จริงให้เห็นอย่างแท้จริงของวิเศษวิเศษจริงๆนี่นะไม่ใช่มาพูดมาเสียงมาสันปั้นยอยเฉยเป็นอยู่ในหัวใจจริงใครเป็นก็เป็นเถอะถ้าลงได้เป็นแล้วไม่กล่าบพระพุทธเจ้าไม่มีมนิพพานไปกี่ปีกี่เดือนนั้นสำคัญอะไรกับเรื่องเรื่องนิพพานถ้าสีดิน้ําลมไฟเป็นเรื่องล่างของพุทธทาส ต, ต่างหากสร้างมาได้ทุกการสถานที่ทุกเวลทุกสัตว์ทุกบุคคลนั่นแหละสริงเหล่า น, นี้แต่ธรรมชาตินั้นเป็นยัง ไ, ไี่ไป แล้วจะมาหาพิเศษพิสูจน์อะไครับสิ่งเหล่านี้พูดแล้วพูดเล่าสอนแล้วสอนเล่าไม่ได้ฟังเสียงกันเลยทําไงแล้วทางจงกรมเล่นี้ไปที่ไหนวัดไหนมันจะไม่มีท่านเดี๋ยวนี้น่ะอมิจฉาภาคหากินเลยสิเอเขาว่าเขานับถือยิ่งเขาว่าสายหลวงปู่มั่นแค่งคาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอยิ่งเผอเป็นบ้านะนี่เออแล้วไปก็ไปควนบ้านกวนเมืองทุกสิ่งทุกอย่างลืมเนื้อลืมตัวไปหมด ว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะเหาะจะบินไม่ได้ตั้งแต่ไม่มีปีกนั่นมันเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะโหนะทุเล็ดจริงๆนี่นะนี่หละเรื่องของกิเลสมันอยู่ในหัวใจคนมันทําให้เป็นอย่างนี้น่ะถ้าทําแล้วไม่ตื่นไม่ลืมตัวเขาเขาติด ก, ก็าตามเขาชมก็าตามจะนํามาเป็นคติทุกอย่างมาพิพจารณาทุกอย่างความติดความชมเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นะจิตเป็นธรรมไม่ลืมตัวแต่นี้มันเป็นงั้นที่พอเขายกยอบ้างแล้วเป็นบ้ากันเลยนี่เขากำลังยกย่องเห็นไหม ภาคกลางอุตสาพยามมานี่ตะกี้นี่ก็ไปเมื่อเร็วๆนี่ตอนเย็นนี่อุตสาพยามมาวัดนั้นวัดนี้ทางภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานมันเป็นบ้า ห, หรือจมูกมันยิ่งกว่าโรคโรงสีหรืออะไนี่มันพอเขายกยอข้างนั้นอ่ะมันเป็นบ้าลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วเหลือภาคอีสานท่านอาจารย์ญญมัน่นท่านไม่ได้ลืมตัวนี่นะโรคศีรษะท่านอาจารย์มั่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นบ้ากันไปหมดเลยว่างไงถ้าไม่สอนให้เป็นบ้านนะท่านอาจารย์มัน่นนี่เราก็อยู่กับท่านมา แต่มสถิ ต, ต, ต, ต, ต, ติกำลังความสามารถที่ได้ศึกษาท่านไม่เห็นมีจุดใดเงี่ยได้แม้นิดหนึ่งที่จะสอนให้พระเป็นบา้าเหรอเหตุนี้มาเป็นบ้าต่งหากทนงตนว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ ม, มั่นลูกศิษย์ลหลวงอาจารย์มัน่นเห็นเขานับถือบ้างโอยเป็นบ้าอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะเวลาเนี่ยภาคอีสานเนี้ยล่ะจะว่าไงเราสงสารลวงญาติพโ ย, ย, ยมที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเห็นว่าชุ่มบรเย็นก็มาไม่ว่าใครล่ะไม่ว่าเขาว่าเราเห็นว่าชุมบระเย็นที่ไหนว่าดีที่ไหนก็อยากไป อยากกราบว่าอยากบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยากทําบุญให้ทานมีอะไรไม่เสียดายเพราะท่านเหล่า น, นี้เป็นผู้เป็นลูกศิษย์ตถากรพุทธบริษัทเสียด้อะไรอยากได้แต่บุญเท่านั้นล่ะนี่ยาให้เขาเสียน้ําใจสิยายเขาเสียอกเสียใจสิออให้เขามาให้เด็กเขาได้ตักตรงไหนก็ให้มีแต่น้ําสะอาดสิลงบึงใดบ่อใดวัดใดพระเด่นองค์ใดให้มีงแต่น้ําสะอาดๆให้อาบดื่มใช้สอยเต็มหัวใจกลับไปบ้านลื่นลึงมั น, น, นถึงนั้นมั่งสิ นี่ไปที่ตรงไหนไหนมีแต่ขี่หมูลาขี่หมาแห้งเต็มไปหมดทั้งบึงทั้งบอ่อทั้งที่ตรงไหนไม่ว่าพระว่าเนรองไหนมันมีตงแต่บึงแต่บอ่อที่เต็มไปด้วยขี่หมูลาขี่หมาแห้งมันเป็นยังไงพี่นาซีไม่อายโลกเขาบ้างหรอเราเป็นบ้านลูกศิษย์หลวงปูมงงป่มัน่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่อายนะนี่นะโอ้เนี่ยทุเลตนะเราอดคิดไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้นะลืมตัว แล้วหลวงปูมั่นโยคา้ผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติดีนั้นโยคายแต่ผู้ที่เป็นแบบดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอนนั่นสิเดินเวลานี้มันมากแล้วนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวเราจรึงไ ม, ไม่ได้ม่ได้ยกยอไปหมดนะฮนะสิ่งที่หน้าติมันเห็นอยู่นี่มันได้ยินอยู่นี่จะไม่ติได้งไงหูมีตามีที่เคยใช้มาตั้งแต่วันไหนมาจนกระทั่งถึงบัด น, นี้มันปลอมที่ไหนหูนี่ได้ยินว่าเป็นยังไงภาษาเดียวกัน มันทำไมจะไม่รู้เรื่องกันตาเห็นอยู่นี่ทําไมมันจะไม่รู้ผิดรู้ถูกมันหน้าตีก็ต้องตีมันหน้าชมก็ต้องชมสิเดีย๋ยวนี้กรรมฐ า, านทั้งเราทั้งภาคอิสานนี่มันจะขายขี้หน้าวัวแม่ครูบาอาจารย์นัานเนี่ยเอาครูบาอาจารย์ไปไปขายกิ น, นนะกเลินนะทุเรศจะตายไปทางหน้าทางตาปฏิบัติที่กิเลสมันเป็นคุณต่อใครเมื่ อ, อไหร่ก็พระพุทธเจ้าองค์ใดเขาตรัสมางั้นพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนันนี้ท่านสอนที่ตรงไหนว่ากิเลสมีคุณต่อเรานะ่ะ มันเยียบย่ำทำลายหมดเจ้าที่พูดยเวลานี้ก็คือพูดเรื่องกิเลสนั่นเองมันลืมเนื้อลืมตัวเป็นลายพัฒนาจากกิเลสถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ลืมะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาใครเครารพนับถือก็ทอยยินดีไปกับเขาแต่เราไม่ลืมตัวของเรานั่นมันจึงเป็นอาจเป็นธรรมผู้ปฏิบัติทางจําดีนะน้ำเบื่อแล้วนะ้ำเวลานี้เอือมละอาแล้วนะข้าหมู่กับเพื่อนสอนมาตั้งหลายเกือบสี่สิบปีนะตั้งแต่ พ่อแม่กูอาจารย์มั่นมรณาภาพไปเกาะพึบตั้งแต่บัดนั้นเลยนะยังสร้างบัดนี้ก็จำเป็นก็ต้องได้แนะนำสั่งสอนอยู่นี้่จะว่าไงแล้วผลที่ได้สั่งสอนมานั้นเป็นยังไงบ้างไม่เห็นแต่วความเลีวๆไหลๆอย่างนี้เผลโลกเลี้ยวๆไหลาย ๆ, ยลล ๆ, ๆไปตลอดเวลาจะให้ไม่ให้พูดได้ยังไงยังดีนี่อยู่กับหมูกับเพื่อนนี่ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อันนี้ไปไหนมันก็หนีไปได้เนี่ยคนไม่ตายทำไมไปไม่ได้ว่าเมื่อมันถูกรวิสัยแล้วจะจะก็จะสอนกันอะได้นั่งหนาออื อนะพอเนื้อหลปูคคำดีท่านนิสยัยท่านนิสัยท่านผ่าผลด้วยนะืึมลวงปูคคำดีนี่ท่านลอยฟั ง, งตั้รแต่ตอนที่นิสมันเป็นผมไม่ลืมนะโอ้่าท่านก็มีเหมือนกับมัมีสายบุญสายกรรมยังมีงานต่อยู่แม่งั้นท่านฆ่าตัวตายไปเลยคุขนาดนั้นนะ่ะ นี่มันทำให้ย้อนไปถึงพระโพธิกัรที่ฆ่าตัวตายนะมันมีสาเหตุเป็นไปได้อย่างนั้นที่อย่างเล่านี่เหมือ น, นกันที่ว่าสมาธินี่เสื่อมเสื่อมข้อวนี้ต้องตายนะเนี่ยมันมีสาเหตุไปได้นะอ๋ อ, อมันมีเงื่อนมันมีสาเหตุที่จะทำให้เป็นไปอย่างนั้นต้องปูกคำดีทั้งกับมันกันตั้งกับผ่านตั้มาได้ เวลาเล่าพรนานั่นคุยกันตอนนั้นสองต่อสองนั่นฝากความคิดถึงบุญถึงคุณแต่ลท่านมาบัวด้วยนะว้าแล้วก็จะเอาไปส่งท่านตอนไปผ่าไอ้ต่อมลูงหมากเนี่ยลืมละผมก็ลืมฝ่าอะไรมาต้องจะทำมาส่งท่า น, ลา น, ล น, นลแล้ววินไปจังหวัดเลยแต่ก่อนไปส่งแล้วฝากความคิดถึงบุญถึงคุณแะท่าน มหาบวัวด้วยนะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์งนวตมาถ้าว่างนันนึ่งถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์กล่าวไหวาบูชาท่านอยู่เสมอไม่จำเป็นเป็นอาจารย์ท่านนั้นนะไม่เหมาะก็ท่านพูดอย่างนั้นท่านฝากมาอย่างนั้นหนะ่อแต่ความกินพูดตามความกินเราก็ยกให้อันที่อุบายต่างๆที่ถวายท่านอันนี้เราก็ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่อยากให้ท่านพูดออกมากับผู้อื่นอย่างเปิดเผยอย่างนั้นอันนั้นอย่ากให้ท่านเก็บไว้ภายในใจเราไม่อยากให้มันพูดเพราะเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราเคารพท่านหนะ น, นินั่นนั่นแหละจิตจิดเวลามันเข้าช่องของมันเลาวเวลามันติดมันก็ติดอย่า ง, างนั้นท่านท่านติดอย่างนั้นนะ ท, ที่ท่านท่านเล่าให้ฟังมันมันโดนบันดาล น, น่ ะ, ะครับแปลกอย ตีสีท่านเดินยุคมอยู่ข้างๆางกุฏิท่านท่านเล่าให้ฟังกุฏิหลังนี่หลังเข้าไปที่แรกไม่ใช่หลังใหม่นั่นหนะลังเข้าไปที่แรกพอเลยทัลาไปแล้วก็ลงไปถึงนั่นกุฏินี่มันขวางอยู่นี่นี่กุฏิสองชั้นเลยนี่นเป็นสองชั้นท่านเดินยุคลมไปทางด้านทิศเหนือยาวกุฏิยาวไปทาง น, นั้นแล้วท่านกุลมก็ยาวไปทางตอนออกตอนตรง น, นี่ท่านเล่าให้ฟังเอง เดินยังคง ม, มันติดปัญหาตั้งหว่าโพรติดอย่างไปไม่ได้เลยนะเหมือนอะไรเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มไม่เข้ใจทั้งนั้นตีปัญหาถ้าสติปัญญาแก้ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นกิเลสฟ้าส์เห็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องกันว่าคิดไปหาใครมันก็ไม่ติดไม่ติดใจกลางยางนิน่ะมันมองเห็นแต่ท่านมหาอุญญาต์นะบางที่อาจารย์พูด คุยกันสองกสองนะปุ๊บปั๊บออกจากทาครมลงมาก็มาจุดทูปว่างี้นะท่านพูดมาจุดธูปจุดเตียนแครับไหว้พระแล้วตั้งสัจจัฐานขึ้นขอราตนาธรรมาบวมมาโปรด้วยด่วนว่านี้นะแปลกนะแล้วกาบลงลรวก็ท่านก็ตั้งสัจจยฐานภายในจิตท่านว่างี้เาะวิชาอาจารย์ทำไมถึงว่างี้แล้วอุ้งผมท่านันจริงจริงธรรมะว่างันตั้งสัจจัยฐานก็กาบลงไปแล้วก็ ขอรัตนาท่านมหาบัวมาโปลูโดยด่วนว่ะเวลานี้ติดปัญหานักมากที่สุดเลยว่ะว่ า, างี้น่ะนั่นก็บริบบุดาดนอะไรพอตื่นเช้ามานั่นต อ, อนตอนนั่นแหละพอเช้ามานั่นแหะเราก็ไปวันนั้นเลยนะท่านุ้นะมเราไม่เคยไปยีย่หรนะี่รัมอือสิแปลว่าท่านองคเพ็ญโวัดตามพระปูนเราก็ยังไม่เคยไปนุ้มแปลว่าทำลีนะลีนะ ไปที่ไปพักอยู่กับลุงผู้ชอบซก่อนแม่ใช่ไหมกระสันไหมอืมนั่นพอเที่ยงวันเนี่ยตัดสินใจพู้พักเลยไปเดี๋ยวนี่วะเอารถลูกสาวพี่วิกิมี่ยไปรถบ้านเขาเอารถสองแถวนะไปเล ย, <c oughs> เยก่อนรถมันกับมันไม่มีมากเนอย่างทุกวันนี้ ให้ครับแอลล้มมาเดี๋ยวนั่นเลยมากเที่ยงออกจากนี่ไปไปแวะข้างอยู่ก็เหลวงปู่ชอบเจ้าก่อนคุยธรรมะกับท่านพอุงควรนะตอนเช้าอาจารย์างานแล้วก็ไปพอาจารย์เสร็จแล้วก็ไปนนะไปวัดธรรมประปูพ่อไปวันดีเจอท่านเผย เปิก็ป you know, ่าจะไปเปิดประตูยล you know, ้วยิ God, ่าน้เผยว่าจะไปรุกวันตั้งนะท่านท่านกำลังพักอยู่นี้ท่านกำลังพักก่อยยานะายาหน้าอย่างนั้นเนาะผมผมผมไม่ผมผมจะค้าง่นี่วันนี้วะผมมีโอกาสที่จะพูดคุยคุยกับท่านอยู่วะเพราะผมจะค้างที่นี่วันนี้วะผมจะหาที่พักน่ะว่างนี่แหละครับออกจะไปกวนรุกวนตั้งเอาเพราั้นเราก็หันหน้าออกมาทันนี้พราะเราหันหน้ามาทันนี้เดินไป ท่านเผยปุบปับไปทางด้านหลังมึงนี่ไปกระซิบบอกท่านจ้ามึงพังกระโปปปับมามาเปิดประตูเองนี่นะมาเปิดประตูเขาเรียกปนเนียประตูอย่างนี้มาเปิดด้านหน้าเนี่ยเปิดปุบว่าท่านมหาทํานาขึ้นเลยทันทีเลยนะมามาโว้ยว่ะทำไมอ่ะเขาไพักขึนนี้ด้ขึ้นนี้วะยังยังมันไปเราก็ไดพักพักมาจะกันมาตะกนหัวอ๋อระว่าย่างน้ไหมลักษณะดีแจโอ้ท่านมาเร็วยเนาะ มันแปลกมนี่มาเล้วหน่วยเรวนี้ห่ยหนวยวาฟัง่นี่มาบนี่มาเรวอนนกวาินมาแล้วเขาจังว้าโอยนหนอยมาตามภาษาบากเราทานี่มาดูเยภาษาได้กระสังตวลงมาเลยมันขัดเาุ้วยเลยคุยอย่างไรคนหน่อยว่าคุยยพักซะก่นคุยกับเพื่นเพื่อนไม่คุยได้ขับแย่ดิตอนเผยมันหลนีนี่เพื่อนว่าผมจะคุยทำงานกับเพื่นผมมั่นย่างนอคอยเพื่นพักซะก่อน คุยสัยกสามเนมาที่บอกพ่อคนันพูดพี่ยังหอกไปคุยอย่างพักตะกันมานะผมก็นี้ปครับพอหามุ้งบางหามุ้งยงยิงไปผาไปนิ่มมุ้งเนนะื้อผมว่าพ่อคนบอกว่าเวลาตอ น, นผมอุ้จักผมก็มา ก, ก่อนเด็กน้อยมาผลเลยว่ต้องเดกไปตามมากเอาคนเล่นแล้วบั่นจังกระปุ่นเนี่ยปิดประตูกกะกะได้ด ให้พวกนักข่าไปใกล้เลยมีแต่คนกับเขาปิดปะตูมไปทังด้านหน้าด้านหลังคุยกันจนกระทั่งสองพุ่มเลยต่างๆจนหงม่วงเย็นอาม่งกว่าเป็นถึงสองทุ่มคุ้นมาถ่งมัเต็มอยู่กันหนอาเนีนก็เต็มเปิดาเปิดอะไรยังวนแล้วคุยกันก็ทำาเิดเปิดเามาวันเปิเปิตีปัญหาเนี่ยสพั่นยุ่งสั่นปัญหาเพราะ เล่าจบลงนั้นเราก al, ็ถวายเลยแล้วถวายปัญหาโอู้เท่ากัรู้เดียว่นะเออเอานาทีเอาลราเราเขาใจแ้เขาใจแล้วเขาพูดลู่วิธีปฏิบัติไ้ทีนหมเออมันทำอย่างนี้ไหมโอีหละเนีงนี้เราูเท่าเลยค oh, uh. oh. ึกหรือดิปรากว่าคึกคักกินมันโดนปึง g นันมันถวายมะเพราะธรรมานี้ธรรมาจะพอแค่นี้เราพูดมันเต็มไป่าาไม่รู้มันแกได้ยังไงวะอไม่ใช่ธรรมะดนเดาเนี่ยธรรมะเนี ท่านเล่าแต่ป้าเข้าเข้าใจเลเราไปเราไปฟังก็จบแลยเขาถอยเลยไม่ได้มากนะไอ้ป้าก็ไปเเอออย่างนี้คือผู้เฒ่ากันรู้ร้นี่รู้วิธีปฏิบัติสมาลูร้านเนี่รู้เรือนนได้เดี๋ยวนี้รู้แล้วสมาลูแล้วรู้วิธีรู้วิธีอะไรนี่นะมันถึงใจผู้เฒ่าท่าเก่ดูนี่ละอันหนึ่งที่ผู้เฒ่าที่ ที่พูดต่ที่วา่าท่านมหาบัวเป็นอาจารย์อาตมานะนี่แหละอันหนึ่งสําคัญเนี่ธรรมะทางจิตตภาวนาไม่เหมือนอะไรนะเราไปยกกำไพมาทั้งตู้ทั้งหีบมาใส่ไม่ได้เหมือนหมอเถื่อนไนาะยกมาตั้งหีบคนไข้าตายทิ้งไปหมออย่างนี้มายกอะไรมาพอตรวจหรือฟังเสียงพูดคนไข้พู ด, พ น, พดนั้นรู้แล้วไปหยิบออกมานิดเดียวใส่ปั๊บใหม่ ยิ่งก็เหมือนกันเวลาท่านปฏิบัติเท่าท่านก็สมบุกสมันมากจริงนะเกือบไปเกือบอยู่หนักมากท่านก็ท่านก็ผ่านมาได้ครนะนิสัยท่านท่านบอกนิสัยท่านมาแก้ใหม่นะที่ที่เป็นอย่างนี้นะท่านเล่าให้ผมฟังแต่ก่อนโอ้แต่ก่อนผมไม่เป็นอย่างนี้สมหาผมแก้ใหม่ละแก้อย่างเด็ดเลยท่านว่านี่นะแล้วท่านเด็ดไม่เด็ดท่านแก้อะไรไง นิสัยผมแต่ก่อนมันมันนิสัยผาดโผนนิสัยขี้โมโหท่านว่างเนี่ยนิสัยผาดผลมากมันมาท้ายไรทําให้ถูกใจแล้แสดงความโหยตัวโศเลยท่านว่างนี่นะแล้วท่านเหตุที่ท่านจะแก้ท่านก็อยู่นี่แล้วอยู่วัดสัทธารวมนี่ท่านรอให้ฟังตัดผ้าเย็บผ้าท่านท่านจะเย็บผ้าท่านนั่นเนี่ยเนร เ น, นน เ, เน้นอยู่ด้วยกันเห็นหมเห็นท่าตัดผ้าเย็บผ้านี่เย็บผ้าไปเลยตัดตัดผ้าไปนะท่านตัดผิดเนะ้นตัดผิดหนะอมตัดผิดที่เย็บผิดนะผมดมๆทีตรงนี้มันน่าจะเป็นเนย็บผิดไปตัดมนไม่น่าเน้นไม่นา่นนนาจะไปตัดอันนี้มันผมไม่ชัดแต่แต่ถ้าเป็นเน้นผู้ผิดผมจับได้ตรงนี้ที่เน้นบื้ผ ท่านจับผ้านั้นามาท่ามาฉีดทิ้งในตัวหน้าเน้นท่านว um. างนี <isen used ionen> ่นะผ้าใหม่ๆมันมาฉีดทิ้งต่อหน้าเน้นฉันโมโหฉันวางกันท่านนั้นวิสัยท่านตะกอดท่านวางนี่นะวิสัยผ่าดผลโมโหโผโศท่านวางกันหนึ่งนู้ดึงกับพันจ้าอ่อนอนู่นะพันจ้าได้ห้าพันจ้าหกพันจานู่นนะมันเป็นหนุ่มๆนี่นึงก็ฉีดตอนผ้านต่อหน้าเน้นนั่น เนนก็ไม่พูดว่าไงล่องไห้เดนนะว่างกันนะเนนล่องไห้เพราะเห็นเนนล่องไห้แล้วฉิดแล้วผิกใหม่ฉันหวังอย่างนี้นะอมันผิดมันก็ผิดไปแล้วการมาฉีดมันเกิดประโยชน์อะไรทําให้คนอื่นได้เจ็บอกเจ็บใจโอ้เสียอกเสียใจสั่มากนี้นะเนนไม่เสียใจเนนจะล่องห่มล้องไห้หรือวะผิดก็เนนก็ทราบแล้วเราพูดชี้แจงให้ทราบว่ามันผิดตรง น, นั้นนี่เนนก็ทราบแล้วแล้วการไปฉีดผ้า ตอนหน้าเน้นทำประโยชน์เนนนี่มันเกิดผลประโยชน์อะไรมันมันไม่มีผลดีมีแต่ผลเสียนี่ยเราท่านยกตัวอย่างในในนั้นแหละท่านหน่อยกตัวอย่างในขนาดที่ไม่ิดนี่ยกตัวอย่างเช่นเนนนี่เสียใจที่ถึงร้องน้องให้ขึ้นนี่เพราะเราวะนันว่างี่น่ะอันที่มันเป็นมามันไม่ใช่เป็นเพียงเนนเดียวนี้นะอันว่ามันเป็นมากับใครต่อใครมันนิสัยอันนี้ทันวางนั้นนะแต่ครั้งนี้มันเป็นเน้นเป็นเหตุนะครั้งที่จะแก้่ยันวางนั้น ตะก่ อ, อ น, นไม่ได้คิดว่าจะแก่ น, แนี่สัยไอ้นี่ท่านว่ามามาโดนเน้นอนเน้นร้องไห้ก็เลยตั้งแต่วันนี้ต่อไปจะไม่แสดงอาการอย่างนี้อีกต่อไปเลยท่นว่าอย่างนะี้เอากนอย่างเขียบขาดกันนิสัยมันผลอย่างนี้การดัดัก็ต้องดัดอย่างผลกันท่นว่าอย่างนี้นะดัดให้ได้เถยวไม่ได้ไม่เอาเป็นก็เป็นตากระต่ายท่านว่าอย่างนี้นะถา้ถาถ้าถ้าไม่ดับมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถึงกระตังงง่งถึงวันตายเกิดประโยชน์อะไร มีแต่ความเจ็บหายของอื่นทั้งนั like ้นท่านวางนี่นะการดัดน <now> ี่ม <the> ันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเราก็ไม่เป็นคนผาดผลดนั่นด้วยท่านวางนี้นะคนอื่นก็ไม่ได้รับความของเจริญอย่างนี้ด้วยนี่การฝึกมันดีอย่างนี้เห็นไหมถ้าถ้าไม่ดัดมันมันไม่ดีมันจะเป็นทํานองที่มันเป็นแบบนี้ดีมันจะอาจจะมากกว่านี้ได้ท่านวาเอาละท่านวางนี่นะท่านวาเอาละท่านวางนี่ท่านเป็นนิสัยคนผาดผลมากนิสัยเด็ดแ้วก็ตั้งแต่บัดนั้นมาเลยใครจะทําอะไรก็ตาม ท่านบอกเหมือนไม่มีหัวใจเลยฟังดิเหมือนไมีหัวใจมันจะเป็นยังไงก็เป็นดัดกันอยู่ในภายในนี่เอาเหมือนมีหัวใจก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันี่ท่านเคยดูใครสักทีไม่เคยดูใครนะท่านจะดันมามันถึงได้เป็นอย่างนี้ท่านว่างันตะกอนนิสัยผมไม่เป็นอย่างนี้นะธรรมะหาท่านว่าอย่างนี้นักคือนิสัยท่านนีบอยู่งั้นตลอดใครจะทำอะไรก็เชินั่นแหละโอยท่านดัดได้จริงๆน่ะน่าชมน่ะนิสัยท่านใครจะไปงามยิ่งกว่าท่านว่ะ อเรื่องนี้สายงามเคยขวดเ ค, อ ย, คยดูใครเมื่อยที่ไหนไม่ละนั่นนะฟังดินี่ท่นเล่าให้ผมฟังจะพอสองกสองเวลาคุยกันทํามากันพอพอแล้วถ้าต่อไปนี่คุยกับท่านท่านก็หายสงสัยเรื่องนี้เราก็หมดปัญหาที่สงสัยท่านอยู่ต่อไปนี่ด้ว่าอติษฐานกายพระธาตุอะไนะอธิษฐาน จัง้งใจทดีท่านก็พูดย้อนหลังกันผมเสียดายกัตอนที่ท่านหาไปคุยธรรมาไปพักอยู่กับผมที่วัดศีถานขอนแก่นนะ่ะตอนนั้นผมยังไม่ได้เรื่องในราวอะไรนะักท่านวางอย่ะเวลาท่านหาพูดนี่นแม่บางดูดคําพูดท่านมหานี่ไหลไปเลยว่างินบางคําบางอย่างพวกเขาผมเข้าใจบางอย่างผมไม่เข้าใจจิตผมมันมันท่านก็พูดโกงเลยนลั่นแหละท่านท่านไม่ได้มีอะไรสงวนท่าทีอะไรเลยหรอกกับผมนะ่ะ ผมมันเอื้อไม่ถึงอ่ะตอนนั้นว่ะเวลาท่านมาหาพูดนี่ก็เป็นตะฟังไปถ้าถึงขั้นจีดละเอียดผวก็ฟังไปเฉยๆแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องท่านว่างีจิตผมไม่ได้เป็นเมื่อตอนนั้นมาเป็นนี่ถึงเป็นธรรมที่นี่คิดถึงธรรมะเราที่นี่ว่ะกับท่านพูดถึงเรื่องการแจงขันห่านยังไม่มีใครละเอียดยิ่งกว่าธรรมหาแจงกันห่าท่านจะอ่านหนังสือเล่มแป้นดวงใจอยู่ที่ ท่นน้องแสงทัานบอกว่าท่านผมได้อ่านนี่แหละห น, น, นังสือธรรมานี่ผมอ่านหมดทุกเล่มเลยเห็นว่ผ่านสายตาไปไม่ได้ทันว่างนี่นะอมันเพลนะินผ่านมันซึง้งอ่านไปแล้วมันซึ้งอย่างในแว่นดวงใจของฉันกันจะท่านทัานก็นมาพูดถึงเรื่องการแจงกันห้าไม่มีพวกปฏิบัติการปฏิบัตินับปฏิบัติไม่มีใครแจงกันห้าได้ละเอียดและอดที่สุดเหมือนธรรมารเลยผมได้อ่านแล้วนี่แนหะทันว่างั่น นั่นก็ท่านก็เวลาท่านยังมีกีเลสอยู่ท่านไม่ดูไม่ว่าใครก็อย่างนั้นแล้วก็ดูสิพ้นเป็นยังไงไม่ในตำแหน่นะพ็ <S <S <S ไม่ดูดาา่าไม่ว่าใครก็พอตามเรื่องก็อย่างนั้นแหละอยู่ว่ า, างไงมาจะยกโทษยกกรใครหละเราพูดตามเรื่องแต่ไม่ดูไม่ด่าไม่ว่าอะไรเลยก็เป็นแบบนั้นก็เป็นอีกแบบหนึง่ง อ, อย่างแบบดูด่าอย่างผมนี่มันจะไปแบบไหนอีกก็ไม่รู้นะนี่น ผมไม่ได้ว่าการดูด่าของผมมันจะดีนะจะไปแบบไหนก็ไม่รู้หลยแต่เรานี่มันได้ดีทีไรมันมีแต่แบบมัดมือชกก น, นะเจ้าของเองไม่เคยได้ยังนิมนวลอะไรอย่งยงยงยงางนั้นไอ้เจ้าของไม่เคยมีนะผมนะมีแต่แบบมัดมือชกอะไรไม่ต้องมีกรรมการห้ามว่าเอาใครดีอยู่ใครไปดีให้มันตกเวทีเลยถ้าเราสู้กิเลสมาได้ก็ให้เราตกเวทีกิเลสกุศลธรรมาเอากิเลสมัฉลาดกว่าเรา ถ้าถ้ากิเลสสู้เราม่ได้ก็เรากุศลากิเลสสิจีบะกุศละธรรมะก็แปลว่าทําคนให้ฉลาดแน่แบวแล้วกิเลสมฉลาดกว่าของกุศละเอามันไม่ได้อย่างนั้นไหนนิสัยเราไม่ใช่ธรรมดานะโอ้ไงกินผมดืมมาแน่นนะ่ะการปฏิบัติของตัวเองมันคือนิสัยเรามันหยากจริงจริงต้องทำถึงขนาดนั้นมันถึงมันถึงพอดีกันว่างั้นเถอะนะถ้า ไม่ไม่อย่างนั้นมันไม่ได้หรอกนี่ผมมันมันจะได้อุบายวิธีการกับแปลกต่างๆและอัศจรรย์ข้าวใดก็ตามนะมันจะได้ด้วยนี่แหละแบบที่ว่าเนี่ยต้องเอากันถึงเป็นถึงตายโย mm hmm. พาผลเต็มที่เลยใครดีอยู่ใครไม่ดีเอาพัง่ะมันเหมือนอย่างนั้น mm hmm. แล้วก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเรได้เนี่ยนี่แหละมันทําให้เราคึกคักอยู่ตลอด ะประการหนึ่งมันก็เป็นอยู่กับนิสัยเมื่อมันควรจะคึกคักกันมันไม่ได้คำหนึงถึงเรื่องว่าเป็นยังไงต่อไงแล้วมันเมื่อมันควรจะคึกคักก็คึกคักเลยเอาเลยเอาคิอดูสิผูกโกรธผูกแค้นผมไม่ลืมนะหม่เอาจริงๆนะที่ว่าจิตเสื่อมพอได้ที่แล้วฟัวดกันก็ต้งนั่งตลอดลูกตลอดลู่งโอ้ยก้นพองเันเลอะหมดเลยว่ายังไงนี่ มันมันเกรียดมันแค้นพอพอได้ทีทีเราแล้วเอาเลยเอาเลยมันเป็นยังไงนักหนาที่เหรียญอ๋อเวลามันเสือเส่อมเสื่อมไปเราจะให้เราเป็นตายตายจริงจิงนี้นะวะพอได้ทีแล้วฟาดกันเลยอืออกองนั้นก็เอาชีวิตเขาเป็นตัวประกันเลยอที่นี้เสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมต้องตายซะนานๆดูสิมันมันเด็ดขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นมัได้ละอัศจรรย์ เห็นอย่างนั่งตลอดุวงนี่กี่คืนทตั้งสิบกว่าคืนแล้วหากไม่ได้ติดกันนะเว้นสองคืนบ้างสามคืนเว้นสี่ห้าคืนบ้างเว้นอาทิตย์หนึ่งบ้างนัง่งตลอดดวงตลอดดวงแต่เทนนี้คืนไหนก็ตามเนี่ยคือมันแน่ที่สุดคืนเราได้ลงสลับเป็นสัตตายขนาดนั้นนี้ยคืนไหนก็กคืนนั้นได้อศัศจรรย์ทุกคืนเลยความอัศจรรย์ ไม่มีคําว่าทรมานเจ้ของอยิ่งขนาดนั้นแล้วออกมาอย่างไม่ได้ประโยชน์อเลยทรมานร่างกายให้ลําบา ก, กาเปล่าๆไม่มีเป็นแต่เพียงว่าลงช้าได้ช้าเร็กเดียวต่างกันนั้นบางวันเพราะว่าฟัดกันสุจึนั่นเจ็ดทุ่มมั้งนถึงจะดลงได้ยังก็มีบางวั น, น, น ม, วมั น, ย, น, น, มนยังไม่ถึงไหน จัติดปั๊บติดปับติดปั บ, ต, ปบตูมเลยนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะเท่าจีบผมสังเกต ด, ดูแล้วถ้าวันไหนมีฝนตกแล้วพรมตั้งขื่นนะโอ้ยวันนั้นลําเหมาะที่สุดเลยกับการนั่งพอนาะคือมันเย็นเนี่ยอุตุสปายะฝนพรมแล้วมันทำให้้าทรท้องน้ำเย็นสบายไม่ร้อนไม่ทุรนทุรายถ้าพูดว่าทูรนทุรก ถ้าถาวันไหนมันธรรมาดามันร้อนโอ้ไม่ได้นะลําบากมากที่สุดเลยแล้วหลงยากด้วยนี่ที่เึงว่าทุกครั้งเรียกสัจจังทุกเป็นของจริงมันจริงยังไงนั่นมันเห็นแล้วมันก็รู้เองอ๋อที่พอดที่ยากสัจจทุกครั้งเรียกสจจังทุกเป็นของจริงประเสริฐประเสริฐจริงยังไง บีบหัวคนจนจะเป็นจะตายก็เพราะทุกเนี่ยคนตายก็เพราะทุกนี่แล้วมันเป็นของจริงมาเสิอได้ยังไงถ้าเราพูดภาษาของเราธรรมดาธรรมดาแต่เวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆนะโอมเวลาจริงแนละ้วมันแยกกันเลยนี่ต่างอันต่างจริงไม่มีใครว่าเป็นฆ่าสืบต่อใครทุกก็ไม่ได้เป็นฆ่าสืบต่อใครสมมุทรไทยมากนี่ลวดต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกันนั่นมันเป็นยังในหัวใจมันก็รู้เองอ๋ออย่างนี้เองนี่ที่บอก ทุกครั้งเรียกจำทุกเป็นของจริงอันประเสริฐอ้าประเสริฐอย่างนี้เองนะไม่กระทบกันเลยทางอันต่างจริงยอมรับนะีคุยถึงเรื่องนิสัยของเรามันนิสัยผาดโผนเหมือนกันนะมันจริงจังมากเหมือนกั น, นขนาดที่ว่าชีวิตจะขาดกันไปไปเถอะว่างนันเลยเมื่อถึงขั้นมันเด็ดมันเด็ดทั้งมันจริงทำนี่จะขาดไม่ได้คำสารกันจริงนี่ขาดไม่ได้ว่าหนักฟังดีเรื่องชีวิตขาดขาดไปเถอะว่างัน เกิดเคยตายมากี่พวกพิชชาติไม่มีอะไรวิเศษยิ่งกว่าธรรมแล้วสัจจะคือความจริงใจตั้งไงแล้วต้องอย่างนั้นวางกันเลย ม, มันผาดมันผลจริงความผ่านผลทํ า, า, าทให้ได้ผลแปลประหลาดอัศจรรย์เหมือนกันแลเมื่อมันมีทางไปแล้วมันก็สู้หรือซี่สิหนิเออไม่มีทางออกแล้วมัดมือชคเข้าไปแล้วมันกับสู้อะไร เอาอจะว่าไงไม่ออกก็ได้จะตายที่กระเป๋าเนาะสู่สิวัดกันเนีเเ่ยนู่นโหดีพี่ดูจริงนะมันไม่รั่วหรอกพี่เลนไม่ใช่เล่นๆมันละเอียดแหลมคมมไม่ไม่มีอะไรเกินเลยแต่แล้วมันก็อัศจรรย์เรื่องปัญญามัน ก, กันนะนี่ผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วโอ้เวลามัน มันรับกันนี่ปัญญาไม่ทราบมันมันรวดเร็วเรอะไรน้ําหนาจนจนคาดไม่ได้นะแต่มันเป็นปัญญานี้มันเป็นปัญญาภาวนาเนี่ยปัญญาแล้วนะคือมันเป็นเป็นของตัวเองแล้วเป็นตัวงตัวแล้วเพราะงั้มันถึงรวดเร็วเหมือนกับไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยขึ้นอยู่กับตัวเองเท่านั้นวางั้นเลยจะไปเย็บอันนั้นมาเปียบมาเทียบนู่นนี่ไม่นะมันใส่มันถึงขึ้นมันเร็วยู่กิเลสมันก็เร็วมัน สติปัญญาก็เร็วสุดท้ายก็สู้สติปัญญาไม่ได้พังลงมันมีบางอ้างมาลำพึงแต่ของมันอดลำพึงไม่ได้อดคิดไม่ได้เนี่ยเรื่องความอะไรเพลงของสติปัญญาลวดลายของสติปัญญาที่มันหมุนมันมันมันเอาอะไรมาเทียบไ ม, ม่ได้เลยนะเจ้าของมีแต่รู้จะพูดนําพูดออกมาเนี่มันพูดไม่ถูกพูดได้แต่ว่า รวดเร็วเกินเหตุเกินผลที่เราจะค่าจะคิดว่างั้นได้เท่านั้นเน่ยไม่งั้นก็ไม่ทันกับกิเลสนั้นตรงนั้นอ่ิบายกัเรากิเลสมันแหลมคมมากอันนี้กับมันก็เหมือนกันเวลามันรับกันนี่ผึงผึงเหมือนมันอะไรมันสอดมันแสรมันงัดมันแงะมันต่อยกันนั้นด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้นะมันรวดเร็วของมันแต่แล้วมันมันก็หายเงียบไปเลยนั่นแหละประเด็นนี้นะพวาหมดวาราแล้วก็ไม่เห็นเป็นไปอะไร มอกจะจมันจะเป็นขึ้นมาเป็นบางการบางเวลาตามเหตุการณ์นั้นเท่า น, นั้นอีกทั้เป็นอย่างแต่ก่อนยิงหมุนติอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั้นมันไม่เป๋แม้จะเป็นขึ้นมาในวาระหลังๆนี้มันก็ไม่เป็นเหมือนนั้นมันเป็นตามเหตุการณ์ที่ ท, ที่ปรากฏขึ้นนั้นพระเหตุการณ์นัลงไปนี่มันก็ไปพร้อมกันไม่มีเหลือที่พ่แม่ครูอาจารย์ท่านก็มีมใจอย่างนั้นเหมือนกันผ่านผลรวดเร็ว เวลาทันเทศฟังทันเทศความรวดเร็วของฤทธิปัญญานมันเป็นนิสัยออกมาให้เห็นผมนี่มันมันมันทําให้ไม่ลืมเลยมันฟังเรื่องอื่ก็คือเรื่องอดอาหารเนี่ยมันมันทรมานยริงๆเนี่ยแต่ถ้าไม่ทําั้นมันก็ไม่ได้เนี่ยจะทําไงนี่สิบางทีมันจะเหมือนกับมันจะเป็นจะตายจริงๆนี่โอ้โอยู่อดได้ตายมาเจ้าของ แต่มันก็มีเครื่องรับกันนะคือกิเลสมันมามันมาแทรกเข้ามาเนี่ยอุจนตายอุจอาหารว่าจะอุจค่ากิเลสเจ้าของกาลองจะตายลูกใหมนันความจริงมันแทรกเข้ามากิเลสแทรกแล้วนานท่นนี่ขึ้นป๊บเลยก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็ิสีโสอะไรอดจเตอนนี้มันจะตายก็ตายสิแหนมันแก่กันกินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิสีโสอะไรวา โอ้มาเบียงตอนี้ก็จะมีแต่ว่าจะตายจะตายเอาตายก็ตายสิว่ามันแก้กันปั๊บเลยแล้วมื่อเบียงนั้นแล้วมันจะไปถอยยังไงเอาตายก็ตายสินี่ฟังก็คือว่าจะจะท่านตรงนี้ไม่ถอยนี่มันนี่มันจะเป็นตามนิสัยจริตนิสัยผมสําหรับผมเบียนี่หยาบมากถ้าไม่เอาถึงขนาดใครดีอยู่ใครไม่ดีไปนี่มันมันนี่นี่แยบแยบนะมันไม่ได้เรื่องเลยเรา จนกระทั่งถึงมันถึงขังข้นของมันเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นมันถึงเป็นอีกแบบเ น, นื้นงงองันถึงขั้นอัตโนมัติน่ะมันก็หมุนของมันเองเตี้ยวเตียวเตียวเตียวเนี่ยเรื่องภาวนามยจปัญญาลองดูสิวางัันเลยนะ่ะแล้วกล้าพูดเลยนะผููไม่เป็นจะมาดนเดาพูดถึงเรื่องภาวนามัญปาปัญญานี้ไปเป็นไปไม่ได้เป็นอังคารว่างนี้เลยเอาลองดูสิวะภาวานามัญาปัญญาเป็นยังไง <nh> มาดุนเดาพูดได้เลย เพราะทํานี้ไม่ใช่ทำดลเด่านี oriented, ้นะเป็นทําเกิดขึ้นในหลักธรรมชาติของตัวเองจริงๆนี anyway. <Multi> ่แล <McG> ้วหลักธรรมชาติของตัวเองมันเป็นยังไงเนี่ยจะอนามาพูดได้ยังไงอืมก็เมื่อมันไม่เป็นใครจะไปรู้ได้มันเป็นยังไงหลักธรรมชาติของตัวเองไม่ขึ้นกับอะไรว่างกันหมุลตัวเป็นเที่ยวอยู่ตลอดเวลาเนจะว่าอะไรเป็นเองไม่ขึ้นกับอะไรสติปัญญาบางอย่างเรายังมีข้อเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้ไปคิดเอานู่นมาเที่ยวนนี้มาเที่ยวนั่นเป็นขั้นหนึ่งเป็นขั้นขั้นเป็นตอนตอนอะไรกันนะพอถึงขั้นอัน ภาวนามัญญาปัญญานี้แล้วตลอดถึงภาวนาปัญญาที่คล่องตัวนั่นไมนไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราค่าเ ล, เลยมันค่าไม่ถูกมันเป็นตรงตัวเอ ง, เอ ง, เองจริงๆเลิกแล้วนี่พอละ